ก่อนที่จะทวายทานเนาะให้ให้ทำความเข้าใจแล้วก็จะได้ตั้งใจในการที่จะทำกุศละศีลให้เกิดขึ้นก่อนพระุทธเจ้าบอกว่าทานกุศลที่มีศีลกำกับจะมีผลมากมีอนิสงส์มากให้สังเกต ด, ดูในด้านของทานบารมีนพระพุทธเจ้า พูดในเรื่องของทานบา ร, รมีเนี่ยก็พูดถึงหนึ่ ง, หงให้วัตถุทานวัตถุสิ่งของที่เราจะสละให้และแบ่งปันใช่ไหม <c oughs> สออภัยท า, านให้ความไม่เบียดเบียน 3. ก็คือธรรมทานก็ให้หลักการข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทีนี้ให้สังเกตดูในทานบา ร, รมีเนี่ย ทำไมในบารมีทั้ง10บเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงกล่าวทานบารมีขึ้นเป็นอันดับแรกเพราะว่าทานบารมีเนี่ยเป็นข้อที่ทําได้ง่ายกว่าบารมีข้ออื่นๆเพราะเรื่องด้านทานบารมีเป็นการให้วัตถุข้างนอกก่อนวันนี้เรามีทั้งผ้าตรจีวรมีทั้งเครื่องอาหารมีทั้งยาดอกไม้ของหอม แล้วก็พกแฟสบสบู่เลยก็ว่าไปเนี่ยเนี่ยเป็นวัตถุทานดังนั้นวัตถุข้างนอกเนี่ยเห็นไหมวัตถุทานนี้อยู่นอกตัวเราเลยเนี่ยเนี่ยมันมีวัตถุมันก็มีสองส่วนว่าถ้าเรามองเป็นวัตถุทานก็แปล ว, ว่าวัตถุ ท, ที่ควรให้ควรสละควรแบ่งปันทีนี้การให้เนี่ยมันก็มีระบบการให้เยอะให้ด้วยศรัทธาก็ได้ใหให้ด้วยความเชื่อมั่นหรือให้โดยการ ให้ด้วยมือของตนเองให้ด้วยความนอบน้อมให้ถูกการให้แบบสละขาดให้แบบไม่กระทบตนและบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมสายให้แล้วก็ยังความปราบปลื้มใจให้เกิดขึ้นในระบบการให้อันนั้นก็เป็นเรื่องการปรุงแต่งจิตมนุษย์เราจะมีความต่างกันตรงนี้แหละตรงที่ว่าบางท่านเนี่ยให้ก็ให้ไปเลยไม่คิดอะไรเยอะ เหมือนเรามีของให้ลูกให้พ่อให้แม่เลยไม่ได้คิดอะไรมากบางทีก็ให้ให้ไปอย่างเงี้ยโดยมากตรงเนี้ยบางทีเรานึกว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเป็นการให้วัตถุที่ขาดการตกแต่งจิตพอพอไม่ได้ตกแต่งจิตไม่ได้ปรุงแต่งจิตไม่ได้ทาให้กุศ ล, ลจิตเกิดอย่างมากมายก่อนแล้วจึงค่อยสละแล้วให้เนี่ยมันเลยกลายเป็นการให้ที่ ได้แต่วัตถุทานแต่เจตนาทานไม่ไม่ไม่ให้หรือเจตนาทานไม่แข็งแรงคุณภาพจิตนั้นไม่เข้มแข็งเพราะจริงๆแล้วมันจะต้องได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งสมถภาพได้ทั้งความสุขใช่จิตต้องเป็นอย่างนั้นคุณภาพก็ต้องได้สภาพทั้งจิตที่เป็นไปกับเมตตา มีความราปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนมีเกเสรจมนงมีความจงใจมีความตั้งใจมีศรัทธามีความเชื่อมั่นทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้เออมันต้องปุกแต่งให้จิตนะนะั่นน่ะได้ทั้งคุณภาพของจิตมีความระอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปกรตันยูกระตะเวทีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยได้ทั้งสมรรถภาพก็คือได้ทั้งแกล้วกล้าอาถารได้ทั้งสมาธิความตั้งมั่นได้ทั้งความอดทนเกล้ากล้าไม่ปล่อยให้บาปอกุศลกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายเข้ามา ทำร้ายจิตใจได้ทั้งปราโมดได้ทั้งปีติได้ทั้งปัสธิได้ทั้งสุขสมนัสเกิดขึ้นอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้แปลว่าวัตถุชิ้นเนี้ยเป็นปัจจัยทำให้กระแสะความคิดของเราเนี่ยโย้ยได้กุศลเยอะเลยนั้นึงต่างกาันบางคนก็ให้แบบจิตงอยเหงาเศร้าซึมไม่มนาสิการไม่คิดอะไรเยอะเราก็นึกว่าเอออย่างเงี้ยมันถูกแต่ที่ไหนได้ก็เรียกว่าเราให้วัตถุซะมากมาย แต่คุณภาพในใจของเราไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงอะนี้เห็นไหมเนี่ยการให้ทานเนี่ยถ้าจะเป็นการให้ทานที่ต้องการพัฒนาฝึกฝนตนเองไปสู่ความสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์จริงๆนั้นต้องประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตได้จริงๆก็คือสามารถทํากุศลให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องได้และตอนนี้เราก็มองกันมาที่วัตถุทานกันใช่ไหมแล้วเราไปจ้างก็ทํามาก็ดีหรือว่า ถ้าคนทําฉลาดเพื่อเพื่อคนทำโอ้โหเกิดปุงแต่งจิตได้มากกว่าเราก็ยุ่งเลยทีนี้กันมองออกไหมงั้นตรงนี้เราก็จะต้องฉลาดในการที่เมื่อเราได้เห็นวัตถุทานแล้วนี่คือวัตถุงั้นการให้เนี่ยให้วัตถุทานทีนี้มันไปกระทบถึงอภัยทานกระทบถึงศีลอย่างไงเวลาเราให้เนี่ยเวลาเราให้บอกว่าเออเราให้วัตถุสิ่งของเหล่านี้ให้เครื่องนุ่งหม่มเครื่องนุ่งห่มเนี่ยไปช่วยอะไรแก่พระสงฆ์ ป้องกันอะไรป้องกันหนาวป้องกันร้อนป้องกันเหลือบยุงไร ล, ลมแดดทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ปกปิดทําให้ท่านไม่ละอายแล้วโดยเฉพาะสิ่งที่เราให้เนี่ยเป็นธงชัยของพระอรหันต์เขาแจกเขา้า่าธงชัยของพระอรหันต์เหมือนท่านนักรบเนี่ยเขาจะมีธงชัยเฉลิมพลธงชัยเฉลิมพลเวลาเขาออกรบเนี่ยเขาไม่ยอมทิ้งธงนะถึงแม้ตัวเองจะตายแม้ชั้นใด เนี่ยผ้าจีวรเนี่ยเป็นธงชัยของพระเมื่อเอาไปห่มกายของนักบวชแล้วเนี่ยท่านคิดตลอดเวลาว่าท่านจะเอาท่านจะทําตัวเหมือนนักรบท่านจะไม่ทิ้งธงนี้ก่อนท่านจะต้องจัดการแกกิเลสคือราคาโทสาโมหะให้หมดสิ้นให้ได้แล้วท่านเห็นสั ญ, ญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านนึกถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทให้การใช้จีวรเนี่ยให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยทั้งหลายเลยเนี่ยท่านก็คิดถึงว่าเออนี้แหละเราได้จีวรนี้ไปแล้วเราจะไปอธิษฐานอธิษฐานก็คือว่าจะใช้ผ้าผืนนี้ตลอดไปเมื่อใช้ผ้าผืนนี้ตลอดไปเนี่ยท่านจะได้มีสมณสัญญาว่าจําหมายว่าตอนนี้ท่านเป็นนักบวชใช่ไหมบัดนี้เรามีเพศต่างจากฤๅษีหัดแล้ว อาการกริยาใดๆของสมณะเราควรทำอากับกริยานั้นๆท่านจะมีสมณะสัญญาชัดเมื่อได้หมจีวรเนี่ยความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราจงทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายท่านโอ้เนี่ยจีวรเนี่ยได้มาจากโยมใช่ไหมเอาละเราจะทำใดๆล้วจะทำบา ใ, า, า, ท า, าให้เกิดขึ้นมีราคาโทษาโมหายเกิดขึ้น่ท่านก็ไม่ได้แล้ว กนนุศลของโยมที่จะให้มาก็จะมีผลน้อยมีอณิสงน้อยถ้ามาให้กับคนที่มีราคา่าโทรศัพโมหะคุ้มรวมในจิตใจอันแรกเราจะปรับพฤติกรรมเราให้เป็นไบกัะศีลจิตให้เป็นไบกะสมาธิทัศนคความเห็นให้เป็นไบกะปัญญาโอ้เนี่ยและอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อคนได้เห็นจีวรเห็นพระท่านนุ่งห่มจีวรไปบินตบาตเขาคิดถึงไข่เขาคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วทําให้ใจเขาได้อะไรใจของเขาได้ปลาโมดพิติได้ศรัทธา ในพระรัตนตรยัยเขาเห็นว่าสมณะเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครหนึ่งอนุปวาโทอนุปคาโตเป็นต้นเนี่ ย, ยสมณะหรือนักบวชเนี่ยไม่ว่าร้ายใครไม่ไปพูดเทศส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอือและไม่แนะนําให้คนอื่นไปว่ า, าร้ายใครสมณะหรือนักบวชเนี่ยไม่ไปทําร้ายใครคือไม่ไปฆ่าไปลักไปประพฤติผิดในกรรมใครและก็ไม่แนะนําคนอื่นให้ไปฆ่าไปลักไปประพฤติผิดในการมเป็นต้นอนุปวาโทอนุปค่าโตใช่ไหม ปาติโมกเข๋จะสั่งว่ารอว่าท่านหอมพระไตรนี้แล้วเนี่ยท่านก็จะสํารวมระวังในพระปาติโมกดําเนินกระแสะชีวิตไปกับศีลที่เป็นศีลแม่บทแล้วก็สํารวมตาหูจมูกเล่นกายใจทําอาชีพของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดใช้สอยปัจจัยทั้งหลายก็คือจีวรเป็นต้นด้วยปัญญารู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจุดหมายที่แท้จริงของการใช้นั้นโอ้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านมากมายเลยเนี่ยเมื่อท่านได้จีวร น, นี้แล้วและอย่างหนึ่งก็คือว่า มัดตันยุตตาจะพัดตัดสมิงการนอนการนั่งเมื่อท่านมีจีวรห่มแล้วนีท่านก็จะเป็นนอนไป็นั่งในที่สงัดปันตันจาสายานาสนังก็หมายความว่าการอยู่ในเสนาสนะที่เหมาะสมเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็อธิจิตเตจะอายโยโคมันประกอบแล้วพอท่านฝึกทั้งพฤติกรรมทางกายจนเป็นไปกกุศลศรีนแต่ท่านก็ฝึกจิตนี่อธิจิตเตยจะมันประกอบจิตของตนเองให้ได้อธิจิตให้ได้ความตั้งมั่นแห่งจิต ให้ได้ความเกล้ากล้าอาถานแห่งจิตเนี่ยอยากการที่ได้จีวรตรงเนี้ยเห็นไหมพัฒนาไปเยอะเลยและที่ส่วนจริงท่านก็ฝึกฝนพัฒนาปัญญาเพื่อจะรู้เพื่อจะเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยยอมชื่อว่าให้ได้ให้จีวรนี่คือข้อมูลความรู้ที่ต้องต้องทําความเข้าใจว่าให้ทานผู้ได้เจ้ากล่าวทานบารมีเนี่ยให้ง่ายกว่าหรือทําได้ง่ายกว่าบารมีข้ออื่นถ้าศีลบารมีเนี่ยยากเนี่ยเริ่มยากขึ้นแล้ว เศีลบา ร, รมีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับวัตถุข้างนอกแล้วมันเกี่ยวกับการที่จะงดเว้นใช่หมหนึ่งให้ความปลอดภัยในชีวิตอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเนี่ยเห็นชีวิตของโยมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโยมให้ความปลอดภัยในชีวิตก็คือไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ปรทุ ส, สร้ายกระแสชีวิตของท่านผู้นี้บคุคคลเหมือนโยมมาทั้งหลายเลยเนี่ยโยมก็ปลอดภยัยเพราะพระพนเนี่ยเป็นผู้ที่งดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการเบียดเบียนโดยประการทั้งปวงแล้ว ยอมก็ชื่นใจเหมือนกันคนที่สมาทานศีลก็เหมือนกันในศีลข้อแรกเนี่ยเจด็ดจานงจงใจตั้งใจก็คืออะไรงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ทำนนะเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมว่าวัตถุไม่ได้เอาเราเอามาแต่อาศัยชีวิตของกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาเป็นวัตถุแห่งการงดเว้นเลย อ, อันนี้ยิ่งยากกว่าใช่ไหม ยากกว่าทานว่าทานกุศลเรายังถือของเรามาเราไปซื้อมาแล้วเราก็มาสละมาบริจาคแต่พอพัฒนาไปสู่ศีลเนี่ยเอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นวัตถุแห่งการงดเว้นเลยเป็นที่ตั้งแห่งการงดเว้นเลยลเราจะเนี่ยเห็นยอมกลางปุ๊บหรือเห็นยอมพ่อยอมแม่ปุ๊บเนี่ยก็บอกเอาละเราจะให้ความปลอดภัยในชีวิตเราจะไม่คิดเเราจะไม่เบียดเบียนท่านด้วยมือด้วยเท้าด้วยพฤติกรรมและด้วยวาจา ใช่ไหมไม่ใช่ว า, าจารประทุศร้ายท่านด้วยและแม้ด้วยจิตใจก็จะไม่คิดประทุศร้ายท่านให้มีความวิบัติในขณะเดียวกันยังมีใจที่เป็นใบกับกรุณาด้วยขอให้ท่านมีอายุยืนขอให้ท่านมีความสุขใช่ไหมขอให้ท่านปลอดภัยในชีวิตมีอายุยืนยาวอย่าได้มีโรคภัยแค่เจียเบียดเบียนเลยเห็นไหมกุศลศีลยากกว่าทานไหมยากกว่าทานก็ตรงที่มันต้องเข้าใจจริงๆริงมันถึงจะเดินกุศลศีลได้ใช่ไหมไม่ใช่แค่นั้นว่า ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีเขามีทรัพย์สมบัติมีแหวนมีนาฬิกามีเสื้อผ้ามีเงินทองใช่ไหมเออมีเจตนาในการงดเว้นจากการลักงดเว้นจากการเอาสิ่งของบุคคลอื่นมาโดยการขโมยโด้วยการหลอกลวงเออเราตั้งเจตจํานงจงใจตั้งใจว่าทรัพย์สมบัติของท่านจงเป็นของท่านท่านทั้งหลายจงมีความสุขกับการใช้ทรัพย์ประกอบคุณความดีทั้งหลายเป็นต้น ถ้าพเจ้าจะไม่คิดเบียดเบียนทรัพย์ของท่านด้วยวาจาด้วยการกระทําแม้ด้วยใจก็จะไม่น้อมทรัพย์ของท่านมาเป็นของตนอย่างเด็ดขาดขอให้ท่านมีความสุขกับการใช้ทรัพย์อยู่กับทรัพย์แล้วรุ่งเรืองเจริญในทรัพย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดอย่างนี้เป็นศีลไหมศีลแบบนี้รักษายากไหมเห็นไหมมันต้องเข้าใจจริงๆอย่างไหมมันถึงจะเกิดได้จริงๆ มันจะต้องเกิดข้อมูลความรู้เกิดเจตนาเกิดความเข้าใจเกิดความเชื่อมั่นว่าเรากําลังฝึกฝนพัฒนาตนเองจริงๆเนี่ยแล้วก็ทุกคนมีบุตรมีภรรยามีลูกเราก็บอกว่าท่านทั้งหลายเราจะไม่เบียดเบียนภาคคู่ครองบุตรภรรยาสามีของท่านมาเป็นของตนเองเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขกับการอยู่ในครอบครัวนะ อย่าแตกแยกอย่าวิวาดบาดหมางซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจะไม่ทำเหตุปัจจัยในการที่ไปภาคกูครองของคนอื่นมาเป็นของตนเองอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านทั้งหลายสบายใจได้คิดแบบนี้ไมมศีลเนี่ยเนี่ยผูศรศีลมารักษาแบบนี้ประการต่อมาคือว่าเรามีทางกายเรากากับได้แล้วต่อมากากับทางวาจา วาจามันจะมีการกล่าวเท็จใช่ไหมกล่าวส่อเสียดกล่าวคำหยาบกล่าวเพื่อเจริญเราก็ตั้งเจตนาเลยว่าเราจะไม่ใช้วาจาพทุสร้ายใครอีกแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป 1. เราจะกล่าวคำจริง 2. เราจะกล่าวคำที่เป็นประโยชน์ 3. เราจะกล่าวถูกกาลถูกเวลาถูกบุคคล 4. เราจะกล่าววาจาด้วยเมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนจึงให้เมตตาเป็นตัวผัก วจีกรรมหรือคําพูดออกไปด้วยความรักความปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนมีวาจาพูดอย่างพูดกับพ่อพูดกับแม่ก็บอกว่าออขอให้แม่มีอายุยืนนะขอให้แม่มีความสุขนะขอให้แม่ประสบความสําเร็จในชีวิตแม่หวังอะไรขอให้สมปรารถนาถามพูดจาในลักษณะอย่างนี้เป็นสัมมาวาจาไหมนี่แหละคือสัมมาวาจาฉะนั้นตัวสัมมาวาจาตัวนี้แหละเป็นการเจริญกุศลศีล น, น, นอะอประการต่อมาก็คือ ต่อมาก็เรื่องของการไม่เอาของมึนเมาใส่ลงไปในกระแสชีวิตมีเหล้าบุรีเป็นต้นเพราะถ้าเราใส่เข้าไปก็ประทุษล้ายตัวเองหนูเคยไหมเคยกินของมึนเมาไหมล่ะนั่นแหละใช่ไหมไอ้ของมึนเมามีแอลกอฮอล์มันไปทำลายะไรทำลายสมองสมองถูกทำลายสติสัมผัสัญญา ก, ก็ก็ไม่ตั้งก็ไม่ตั้งได้ดีไม่เกิดไหมตัวสติกว่ากำกับนี่มันหลงลืม โดยปกติเนี่ยคนอายุมากคนป่วยทั้งหลายก็จะหลงลืมสติอยู่แล้วร่างกายเนี่ยปกติแล้วมันจะหลงลืมคนที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปสู่ในร่างกายเนี่ยจะเป็นเหตุทําให้ทําบาปได้ทุกข้อทําบาปได้ง่ายกล้าที่จะทําบาปเพราะอะไรเพราะความมึนเพราะความเมาเพราะความงงนี่แหละฉะนั้นเจตนาที่จะประทุษร้ายตัวเองให้มึนเมาทั้งหลายเหล่าเนี้เป็นเจตนาที่ ทำลายสติสัพพัญญะเป็นเหตุให้คนอื่นหวาดระแวงในเราไม่น่าไว้ใจท่านคนเมานี่น่าไว้ใจไหมล่ะไม่น่าไว้ใจหรือคนติดสารเสพติดก็ไม่น่าไว้ใจแม้ฉันใดเห็นไหมเนะ น, นี่ยกุศลศีลตรงเนี้ยมันเกิดจากความเข้าใจศีลห้าเนี่ยคือทําให้กระแสชีวิตพอเป็นไปได้หรืออยู่กันได้เท่านั้นเองนิยมเข้าใจพื้นฐานสุดๆแล้วนะหนึ่งทานกุศลเวลาโยมจะให้ทาน ทานแบบไหนมีผลมากมีอานิสงส์มากก็ต้องให้ทานแก่คนมีศีลใช่ไหมฉะนั้นเวลาลูกจะให้ขนมพ่อแม่พ่อแม่จะให้ขนมจะให้เงินจะให้อะไรลูกเนี่ยก็ต้องบอกวิธีการกับลูกช่วยสมาทานศีลก่อนได้ไหมเพราะทานของผู้มีศีลให้ทานแก่ผู้มีศีลมีผลมากมีอานิสงส์มากใช่ไหมล่ะอา้าวแม่ก็อนุเคราะห์ลูกด้วยการให้ ใช่ไหมลูกก็ต้องทำผลของทานของแม่ของพ่อให้มีผลมากโดยการเอานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูจะสมาทานกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตเอาแล้วตอนนี้หนูสมาทานแล้วแม่แม่ให้ได้เลยอยากจะให้อะไรเออผลของทานก็มีผลมากมีดีสงมากเหมือนกันเหมือนอามาจะเอาของไปให้ยอมแม่นี่นะอามาเอยอมแมสมาทานสินแปดได้หมวันนี้ยอมแม่บอได้บอกอาวโหดีเลยเอามาบินตบาดมาใช่ไหม บอาโยมแม่จะเอาอาหารเนี่ยมาเขาบอกตอนเช้ามาไปบอกโยมแม่ก่อนว่าเวลาจะไปบิณธบัติโยมแม่สมาทานศีลไว้ก่อนเลยนะถามทํมาไมเดี๋ยววันนี้อาตมาไปบินธบาติมามาเอาอาหารมาเทมาให้โยมแม่ทานของอาตมาจะได้มีผลมากมีอนิสงส์มากโยมแม่ก็บอกได้พอถามโยมแม่สมาทานอยังสมาทานแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าในบ้านลองทํากันอย่างนี้สิโอใช่ไหมเหมือน ลูกจะตักน้ําให้พ่อแม่ทั้งหลายก็ปกติได้บุญอยู่แล้วแล้วบอกพ่อแม่จะมาทานศีลนี่ยัง <c oughs> มาทานศีลแล้วโอเคอย่างเงี้ยแหมชื่นใจเหลือเกินเพราะทานของผู้ใช่ไหมให้ทานแกนผู้มีศีลมีผลมากมีแม้เราเหมือนกันว่าราจะให้ทานก็ต้องตั้งใจสมาทานศีลเราก็จะเห็นใช่ไหมว่าอาศัตติราชานเนี่ยอย่างเช่นหมีหมีแพนด้าเนี่ย เขารวยกว่าเราเนื้อแต่ก็เป็นได้แค่สัตว์เดรัจฉานที่อยู่ของเขาราคาสามสิบสี่สิบล้านทำไมชื่อเสียงเขาก็ดีกว่าเราถ้าเอาหมีไ ป, ปไ ป, ปไปถ้าประกาศว่าเ น, นี่ยในบริเวณนี้ให้คนไปดูหมีก็เอาเราไปเข้ากองเหมือนกันเนี่ยเขาไม่ดูเราเนี่ยเขไปดูหมีเนียอันนี้บ่งบอกชื่อเสียงเขาดีดกว่าเราใช่ไหมเนี่ยอันนี้เห็นไหมแต่ว่าเขามีผลน้อยอันนี้ส่งโนย เพราะว่าทานกุศลเนี่ยเขาได้รับผลดูทีเนี้จะให้เขาดีขนาดไหนเขาก็ได้เสวยผลได้นิดเดียวเหมือนสุนัขบางตัวที่อยู่คนมีทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราไม่เอาแล้วต่อไปอ่ะเราเวลาจะให้ทานก็ต้องเป็นผู้มั่นคงในศีลก่อนพอจะเข้าใจตรงเนี้เนียนี่เริ่มชัดเจนนะว่าเห็นไหมว่าทานกุศลเนี่ยกับศีลกุศลแทบไม่ต่างกันไม่ต่างตรงไหน ไม่ต่างตรงที่ว่าสภาพจิตใจต้องรู้และเข้าใจถึงจะเป็นทานกุศลเป็นศีลกุศลที่ถูกต้องและเป็นการให้เหมือนกันเช่นเนี่ยเราให้เสื้อผ้าให้อาหารให้อาหารก็คือให้เขามีอายุยืนให้เสื้อผ้าก็เหมือนกันป้องกันแดดป้องกันลมป้องกนันฝนป้องกันหนาวป้องกันเหลือบไร ย, ยุงลมแดดใช่ไหมป้องกันไม่ให้เกิดความละอายทั้งหลายเป็นต้นแล้วทําให้เขาได้สั ญ, ญลักษณ์ในการที่จะทําดีในการพัฒนาทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญา เห็นไหมให้ไหมและไม่ใช่แค่นั้นให้ความเป็นผู้มีอายุยืนด้วยอาหารการบริโภคและกระเสื้อผ้าเป็นต้นให้ให้ความสุขเขาด้วยให้กำลังเขาด้วยใช่ไหมให้ให้ทั้งอายุให้ความเป็นผู้มีอายุยืนให้ทั้งผิวพรรณงามให้ทั้งความสุขให้ทั้งกำลังแล้วก็ให้เขาเขาจะได้เป็นฐานในการพัฒนาปัญญาเห็นไหมเนี่ยให้วัตถุก็ยังให้ทั้ง5้าอย่างยิ่งศีลด้แล้วให้มากกว่านั้นอีก ศีลพัฒนาไปการว่าไม่ต้องเอาวัตถุมาเลยเนี่ยเอามามองเห็นยมทุกคนเป็นวัตถุแก่การงดเว้นได้หมดเลยแก่การเจริญกุศลศีลนำมาได้หมดเลยเนี่ยเห็นยอมกลางเห็นยมเห็ น, เ ห, นเห็นหมดพะเห็นเบ็เสร็จแล้วามาเจริญกุศลศีลได้หมดเลยนะเ<ส><ส>พราะอะไรเพราะศีลมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจเกิดจากเกจตจํานงเกิดจากความจงใจตั้งใจที่จะให้เกิดให้มีขึ้นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นวัตถุแห่งการเจริญศีลนำมาได้เลยเอามาให้ความปลอดภัยในชีวิตยอมกลาง และขอให้ยอมกลางมีอายุยืนด้วยมีความสุขด้วยแล้วก็นึกตลอดเวลานับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจะไม่ทำความโกรธความขัดเคืองให้เกิดขึ้นแต่ยยมกลางแม้ว่าจะไปเจอในอัตภาพใดหน้าที่ไหนก็ขอให้ใจของข้าพเจ้าอย่าได้หวันไหวต่อการไปขัดเคืองหรือโกรธให้เกิดขึ้นเลย แม้ไปเจอในอัถภาพใดในพบใดก็ขอให้มีกุศลและสัญญาเกิดขึ้นว่าเราจะไม่โกรธท่านพู้นี้จะไม่หงุดหงิดแต่ท่านพู้นี้อีกตอก่ตอตั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งอนุปาทาบาลินิพานาจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ค่าตั้งขนาดนั้นไหมกล้าไหมหล่ะถ้ากล้าคุณก็ได้ดีได้อ่ะเอาเถอตั้งสิใช่ไหมหนูก็ลองตั้งกับพ่อกับแม่เอาและนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะไม่โกรธ จ, จะไม่ขัดเคืองพ่อและแม่จะไม่คิดเบียดเบียนไม่ว่าพ่อแม่จะมีบุคลิกภาพอย่างไรจะมีอัธยาศัยอย่างไรมีทัศนคความเห็นอย่างไรจะเจอพ่อแม่ณนะที่ไหนในการไหนขอให้ความขัดเคืองความหงุดหงิดความโกรธข้าพเจ้าจะได้มีเลยจนกว่าซึ่งข้าพเจ้าจะถึงซึ่งความทุกข์กล้าไหมนะกล้าสมาทานแบบนี้ไหมกล้าไหมกล้า ทำไมไม่กล้าแสดงว่าถ้าแม่ทำอะไรไม่ถูกใจหนูจะอาฆาตแม่หนูจะโกรธแม่หนูจะคิดประทุษร้ายแม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเจอแม่ณที่ไหนก็จะอาฆาตจะพยาบาทแม่จองล้างจองผ่านแม่ตลอดไปจนกว่าจะา น, นี่ก็โหดร้ายเกินไปใช่ไหมเอาไม่ก็อันเดียวกันนะั่นแหละหนูก็ตั้งใหม่ที่หนูจะเอาอยัางไงหรือจะเอากลาง มันไม่ได้ะก็เอาที่จะเอากุศลก็เอาใช่ไหมล่ะก็ก็ตั้งตั้งเจตนาว่าจะไม่โกรธในกระแสชีวิตท่านผู้นี้และขอให้ใจข้าพเจ้าเมื่อเจอท่านผู้นี้นักการไหนไหนขอให้ใจข้าพเจ้าเยือกเย็นเบิกบานผ่องใสเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญก็ตั้งบ่อยๆตแต่บ่อยๆบ่อยๆตั้งครั้งเดียว ตั้งครั้งเดียวมันอาจจะไม่ชนะแต่หนูก็ต้องตั้งบ่อยๆตั้งทุกวันตั้งทุกวันตั้งทุกวันถามว่าเรียบร้อยไหมไม่เหลือหน้าข้าวหน้าข้าหนูแม่จะทํายังไงแม่จะบน่นแม่จะจุกจิกจู้จี้ยังไงจะยิ้มทั้งวันเลยเพราะอะไรเราให้ความปลอดภัยเราไม่ขัดเคืองกับท่านผู้นี้อีกต่อไปแล้วใช่แม่จะทํำยังไงก็แล้วแต่สัญญามันจะตั้งไว้เอา้า เราได้ให้ความปลอดภัยเราได้ตั้งอัธยาศัยกับท่านผู้นี้แล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่โกรธเราจะไม่โกรธเราจะไม่ขัดเคืองเราจะไม่ทําจิตเราจะไม่จิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่ทําหน้านิ้ยคิ้วขมวดเราจะไม่เป่งวาจาชั่วร้ายออกมาใช่ไหมเราตั้งเจตนาแบบนี้ไว้แล้วนี่ไม่ว่าและและสัญญานี้จะจําได้ไปในอัตภาพอื่นไปเจอกันใหม่ปุ๊บทล้วหนูจะมีความสึกเอ๊ะทำไมเรารักท่านผู้นี้เราไม่ขัดเคืองท่านผู้นี้เลยเนี่ย ท่านผู้นี้จปะปัดสไลด์เราเข้ามาตบหน้าเราเข้ามาหยิกเราเข้ามาปทุสไลด์หาเรื่องจองร่างจองผานเรายัางไงก็แล้วแต่แต่เราก็จะไม่ขัดเคืองเหมือนพรวกบริษัทเขาบริษัทท่านตั้งแบบนี้นะเห็นไหมอดีตชาติของพระเทวทศัศนเนี่ยไปปทุสไลย์ท่านยังไงท่านไม่เคยขัดเคืองเลยไม่เคยขัดเคืองตอนที่เป็นในในตอนที่เป็นในพานโสนุดรเนี่ยไปตัดงาท่านเนี่ยท่านก็ไม่ทําความขัดเคืองให้เกิดขึ้น ยิงท่านทะลุเลยใช่ไหมละ่ะท่านก็ไม่ทําความขัดเคืองให้เกิดขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินในกรุงวลานาสีสั่งให้ตัดมือตัดเท้าตัดขาท่านตัดจมูกตัดใบหูท่านท่านก็ไม่ทําความขัดเคืองให้เกิดขึ้นนี่แปลว่าอะไรแปลว่าท่านต้องตั้งอัตยาศัยไว้พวกเราไม่ได้ตั้งเขาไว้ไงเราเจอใครเราไม่รีบตั้งเขาไว้ก็เราก็เสียหายสินัเข้าเราก็ต้องเสียหายาะไว้ความโกรธของเรานี่แหละที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยไหมก็รีบตั้งเสียแล้วเราเนึกว่าถ้าตั้งแล้วนึกไปจะเสียเปรียบ เสียเปียบหรือได้เปรียบอะเสียเปียบหรือได้เปรียบ <c oughs> ได้เปรียบใช่ไหมถ้าไม่ตั้งเนะี่ยเสียเปรียบเพราะคนกโกรธเองก็เศร้าหมองเองใช่ไหมคนทําบาปเองก็เศร้าหมองเองนี่เขาก็เดือดร้อนเองเนี่ยความโกรธมันเป็นบาปเนี่ยมันปทุษร้ายตนเองประทุษร้ายกระแสะชีวิตทํำให้ตนเองเป็นหมกไหมในบายทุกขติวิติบาตนั่ล่ะกับความโกรธความหงุดหงิดนี้ไม่ใช่หรือ แล้วความโกรธทําให้ไม่เห็นอัตถะไม่เห็นธรรมะทาให้ไม่บรรลุธรรมด้วยเออทาความเสียหายให้เกิดขึ้นในปัจจุบันในในการต่อต่อไปด้วยหลายๆคนวิบัติมาเพราะโทสะความโกรธนี้ไม่ใช่หรือก็เห็นโทษอย่างนี้ปุ๊บก็สมาทานซสิใช่ไหมล่ะเห็นใครก็รีบสมาทานว่าเราจะไม่โกรธท่านคนนี้นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีใจขุนเคืองในกระแสชีวิตของท่านคนนี้เลยนะีตลอดการและตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ตั้งไว้เลยได้ไหม อ, อไปคัดเครื่องออก็ก็รีบตั้งใหม่ตหม อ, อตั้งใหม่ทันทีเห็นไหมแสดงในตัวอย่างที่ตั้งกันไว้เนี่ยมันยังไม่มั่นคงพอก็ตั้งเรื่อยๆตั้งเรื่อยๆแต่มันจะเลือยลึกได้เร็วกว่าเก่าแล้วนักเข้านักเข้าเนี่ยหนูจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งจะกลายเป็นคนที่แปลกอยู่อย่างนึงคือว่าจะเป็นคนที่มีผิวพันผ่องสใสเห่นไหมถ้าถ้าทําอย่างต่อเนื่องมันจะได้หลับเป็นสุกตื่นเป็นสุกไม่ฝันร้ายไง เทวดาก็รักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอามนุษย์ทั้งหลายไฟสตรายาพิษโรคร้ายก็ไม่เบียดเบียนสีหน้าก็ผ่องใสสมาธิก็ตั้งมั่นเร็วๆไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยตายไปแล้วก็ได้สุขติใช่ไหมแต่ถ้าถ้าหนูเป็นคนเครียดง่ายโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายหนูก็ได้ตรงเงินข้ามเนี่ยหลับก็เป็นทุกข์ตื่นก็เป็นทุกข์ฝันร้ายเทวดาก็ไม่รักษาเป็นที่ลังเกียจของมนุษย์และอามนุษย์ทั้งหลายไฟสัตรายาพิษโรคร้ายก็เบียดเบียนสีหน้าก็เศร้าหมอง สมาธิก็ไม่ไม่เกิดก็เป็นคนฟุ้งซ่านง่ายแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ก่อนตายตายแล้วก็ได้อบายทุกขติวิบาติแลโลก็จะเอาอยัางไงเอาชีวิตเนี่ยเราจะเลือกทางไหน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเห็นไหมก็ตั้งใจมันไม่มันง่ายนิดเดียวนะการที่เราจะจะจ ะ, จะทำให้ตายเกิดขึ้นใช่ไหมก็เพียงเราตั้งใจตั้งใจมันเป็นเรื่องจิตใจ มันไม่ใช่เรื่องรูปแบบเลยแล้วก็เห็นใครก็มองเขาแล้วก็สมาทานเลยฝึกเอาพ่อแม่ก่อนเอาคนใกล้ตัวก่อนแล้วก็น้องปูตาย่ายยายไล่ไปเรื่อยๆสมาทานโอ้โหแล้วไม่เกินเจดวันเนี่ยหนูจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพไปอีกอย่างหนึ่งเยจะเป็นคนเยือกเย็นนุ่มนวลยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนมั่นคงทางด้านจิตใจ จิตใจแข็งแรงสมาธิตั้งมั่นเดเรีวใช่ไหมมีโรคกระทั์ที่ไม่คับแคบ อ, อมีใจิตใจที่เปิดกว้างรับฟังความเห็นต่างได้โอโหอะไรเยอะแยะหมดออฟังอะไรก็รู้สึกว่าเม็ดจิตใจมันไม่ขุนมัวใจิตใจมันล่าเริงเบิกบานผ่องใสเคยไหมเคยมีอาการแบบนี้ไหมไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยได้สัมผัสเลยอาการแบบเนี้เห็นคนบน่นคนด่ากันรู้สึกโอ้มันเข้าใจคนอื่นเขา คอยเขาอย่าได้ขาดเครื่องเลยเขาจะหิวน้ํำไหมถ้าเขาขาดเครื่องขึ้นมาไตาเขาจะมีปัญหาไหมตับเขาจะมีปัญหาไหมปอดเขาจะมีปัญหาหัวใจเขาจะมีปัญหาเส้นโลหิตเขาจะแตกไหมคอยเขาอย่าได้เดือดร้อนเลยนั่นเป็นที่บูคิดไปเยอะเลยเขาใจอย่างมันเห็นใจเขาอะ่ะยิ่นแม่โกรธหน้าดำตาเขียวขึ้นมาโอ้ยคอยแม่อย่าได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมมันจะรู้สึกว่าโอโ้หอยากจะไปแม่ดื่มน้ำก่อนไหมแม่อยากจช แม่ใจเย็นนะแม่ใจเย็นไม่เย็นไม่อะไรแล้วเราก็เราก็ไม่โกรธแม่ด้วยนะใช่แล้วก็พยายามหาอุบายวิธีเหมือนเหมือนเราตักน้ำให้แม่ใช่ไหมตักน้ำสมมติแม่ป่วยแล้วก็ตักน้ำไปวางไว้เอายาไปวางไว้แม่บอกว่ากูไม่กินข้อไปนะโกรธไหมพราะนน้ำที่จริง เราน้ําไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยบางทีผมแม่แก่ไปนะอย่างยมพ่ อ, อยมแม่เนี่ยบางทีเราอยากจะกินอาหารอย่างที่ชอบใจใช่ไหมไอ้ลูกก็เอาอาหารมาแม่บอกว่าลูกบอกว่าอยา ก, กินหวานมากหมอห้ามเดี๋ยวเบาหวานขึ้นเรา ก, ก็เราจะกินเนี่ยใช่ไหมเราก็ไปแอบกินบ้างแม่ให้กินก็ไปหาซื้อกินบ้างเนีย้ยลูกก็ขัดเคือง อันนี้แปลว่าลูกทำไม่ถูกถ้าทำถูกก็คือว่าบอกแม่หมอเขาบอกว่าไม่ให้แม่กินของหวานมากตอนนี้เบาหวานขึ้นหมอเขาบอกว่าอย่า ก, กินของเค็มของเผ็ดมากตอนนี้ไตจะกำเริบแล้วความดันก็สูงนี่นะแต่เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยแต่หนูก็ทำอาหารอย่างที่หมอเนี่ย บอกมาเพราะหวังดีกับแม่แล้ก็นี่ยานะแม่กินให้ตรงเวลานี่น้ำดื่มน้ำก่อนตอนเช้าแต่ถ้าแม่จะไม่กินยาแม่จะไม่กินน้ำแม่จะไม่กินอาหารที่หนูจัดให้ก็ไม่เป็นไรหนูยอมรับในการตัดสินใจของแม่ยังไงหนูก็รักแม่หนูก็ปรารถนาดีกับแม่หนูก็จะมีความสุขกับการได้ทำหน้าที่ของความเป็นลูก แม่อาจจะไม่ทําก็ได้แม่อาจจะปัดน้ําทิ้งเอาปัดยาทิ้งหรือไม่กินอาหารไปหากินอย่างอื่นหนูก็จะรับการตัดสินใจของแม่ถึงแม่ป่วยหนักกว่าเดิมอีกหนูก็จะไม่ทุกข์หนูจะชื่นใจที่ได้ดูแลแม่อย่างเต็มที่แล้วก็บอกข้อมูลแม่ทุกอย่างแต่ถ้าแม่เลือกที่จะทําแบบนี้หนูก็จะไม่ขัดเคืองยังไงหนูก็รักแม่เพราะแม่เป็นแม่พ่อเป็นพ่อถ้าทําอย่างนี้ได้สุดยอดไหม เออนะักอธิธรรมแบบนี้แหละหลักการที่อยู่ด้วยกันก็ให้ทำแบบนี้เราอย่าไปกำกับว่าท่านต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่บอกข้อมูลบอกเหตุผลท่านให้เต็มที่เท่าที่เราจะบอกได้บอกด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเอื้อทอนนะแต่ท่านไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะเราก็จะไม่เราก็จะไม่ไปคัดเครื่อง เพราะแม่ก็เป็นแม่ธรรมชาติกองแม่เป็นของแม่อย่างนี้อยู่แล้วธรรมชาติของพ่อก็เป็นของพ่ออย่างนี้อยู่แล้วเราก็จะไม่ขัดเครืองให้เกิดขึ้นเราก็จะเจริญกุศลของเราในการทําดีกับแม่ไม่หยุดหย่อนทําดีกับพ่อไม่หยุดหย่อนเข้าใจไหมเออถ้าตั้งหลักอย่างเนี้ยเราก็จะเป็นคนที่เบิกบานผ่องใสมีโลกะทัศน์ที่มองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงไม่ใช่มองโลกและชีวิตตามใจที่เราอยากให้มันเป็น ใช่ไหมถ้าเราอยากเราต้องการอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้เราก็ไปกํากับถ้าไม่เป็นอย่างที่เราอยากหรือยืดอยากขึ้นมาเราก็ทุกเราก็เครียดเราก็กุ้มอันนี้แปลว่ามีโลกทัศน์ที่แคบและไปขวางความเป็นจริงของชีวิตเราไม่ขวางแต่เราฉลาดในการให้เหตดปัจจัยยอมรับในสิ่งที่แม่ทํายอมรับในสิ่งที่พ่อทําแต่ในขณะเดียวกันอะไรเป็นความดีเราก็ทำํำเราจะชื่นใจในสิ่งที่เราได้ทําดี ถึงแม่ไม่ถึงพ่อแม่ไม่ได้ทําอย่างนั้นดูเหมือนพ่อแม่ไม่รักตัวเองเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็บอกไม่เป็นไรแต่เราก็ไม่ท้อต่อการทําดีไม่ท้อต่อการให้ข้อมูลเข้าใจไหมให้ข้อมูลอย่างติดต่อและต่อเนื่องให้ข้อมูลเสมออเ ง, งี้ยรักษณะนี้เขารักรักที่ถูกต้องเขารักแบบนี้รักด้วยเมตตาเขารักแบบนี้เข้าใจได้ยังคำว่เ า, าเมตตานเป็นอย่างนี้ถามว่าถ้าเราทําอย่างนี้ปุ๊บจะทําให้สภาพจิตใจเราดีไหม จิตเราก็ดีความสุขเกิดไหมความสุขก็เกิดแล้วเราก็มองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงฉลาดในการมองโลกมีทัศนคติต่อการมองโลกที่ถูกต้องเห็นไหมว่าจริงๆศีลเนี่ยไม่ใช่ศีลอย่างเดียวไปกระทบทางด้านจิตใจแล้วใช่ไหมจากทานกุศลศีลกุศลพัฒนาไปถึงตัวภาวนา ภาวนาก็คือกลุ่มเมตตากลุ่มกรุณากลุ่มมุทิตาทั้งหลายนั้นมเกิดขึ้นเลยตอนนี้กลุ่มพรมวิหารอะรทำเกิดขึ้นจริงๆอันนี้ได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งสมรรถภาพแล้วก็ได้ทั้งความสุขที่เกิดขึ้นที่สําคัญก่อนนั้นก็คือได้ปัญญาได้รู้ได้ฝึกได้พัฒนานีได้เห็นความเป็นจริงทั้งทังสิ่งทั้งหลายเป็นต้นเหล่นี้ยโอ้ได้หมดเลยทั้งศีลก็ได้สมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้เนี่ยจากการดําเนินกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นสรุปแล้วทานกุศลก็ศีล ทานกุศลทำได้ง่ายกว่าใช่แต่ว่าทั้งให้ทานไม่เป็นก็จเจริญศีลไม่เป็นถ้าให้ทานแบบเนี่ยทื่อๆให้แบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรเนี่ยจะพัฒนาไปสู่ศีลไม่ได้มันก็ได้แต่ศีลเหมือนศีลแมวศีลนกศีลแมวศีลนกเป็นงไงเอาแมวมาใส่กรงเข้าไว้อานกมาใส่กรงเข้าไว้นกก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ นกก็ไม่ได้รักทรัพย์นกก็ไม่ได้ไปพูดผิดในกรมนกก็ไม่ได้ไปพูดเท็จกับใครนกก็ไม่ได้ดื่มของมึนเมาเเผลอไม่ได้กินอาหารตั้งแต่เที่ยงไปโอ้โหได้ศีลจะเยอะกว่ามนุษย์อีกใช่ไหมล่ะศีลแบบนั้นเป็นศีลที่ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากอะไรเลยเป็นศีลที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเป็นตัวกำกับเป็นศีลพระตาปรามาศ์นะเป็นความมึนความงงไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาไม่ได้มีอย่างนั้นพุทธศาสนาเวลาการรักษาศีลมันมาจากอะไร มาจากปัญญารู้และเข้าใจมาจากเจตนาเจตนาที่ดีกับปัญญาที่รู้และเข้าใจใช่ไหมมีเจตนาที่จะงดเว้นมีเจตนาที่จะขัดเกลารตัวเองจริงๆถ้าอย่างนี้ถึงจะเป็นศีลที่ถูกต้องในหลักการที่พุทธศาสนาพระพุธทธเจ้าทรงบอกไว้เริ่มเข้าใจยังไม่ใช่ไม่ใชโ่โอ้มาถึงปั๊บ ก, ก, ก็งดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการผู้พิจารในกางงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มของมึนเมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยเอางดเว้นอย่างเดียว นะถือการงดเว้นถือการห้ามให้ไม่ได้ห้ามห้ามห้าห้ามห้ามตัวเองก็เครียดตัวเองก็กุ้มจะไปกินอะไรกับเขาก็ไม่ได้วันนี้วันพระ 15. แปดค่ำสิบห้าค่ำเราต้องแต่งตัวก็ไม่ได้ตัวอึดอัดเหลือเกินทกใจเหลือเกินใช่ไหมจะไปกินอาหารตั้งแต่เที่ยงไปก็ไม่ได้เพราะเราสมาทานไว้แล้วจะไปแต่งตัวก็ไม่ได้จะไปดูหนังดูละครก็ไม่ได้อึดอัดเหลือเกินเมื่อไหร่จะพ้นวันหนึ่งวันหนึ่งลักษณะนี้เป็นศีลไหมก็เหมือนแมวถูกขังไว้เข้าใอย่าง พุทธศาสนาไม่เป็นแบบนี้เราถูกสอนกันแบบนี้ไงแล้วก็ถูกกำกับกันมาแบบนี้เอารูปแบบสอนกันมาอย่างนี้มันก็เลยเป็นศีลแบบทื่อๆหมดเลยแต่เนี้ยแท้ที่จริงต้องมาจากอะไรความเข้าใจมาจากเจตนาที่เราเห็นว่าการฆ่าเนี่ยการคิดเบียดเบียนเนี่ยมันเป็นบาปมันเป็นอกุศลมันเป็นความเดือดร้อนตั้งแต่ตัวเองและกับบุคคลอื่นอย่างไร เป็นต้นงั้นเราจะงดเว้นแล้วเรามีเจตนาในการที่งดเว้นเราต้องการฝึกตัวเองให้งดเว้นจากการฆ่าฝึกตัวเองงดเว้นจากการลักฝึกคนให้งดเว้นจากการรัวพืดผิดในกรรมฝึกตัวเองให้ให้มีพฤติกรรมทางวาจาโดยการไม่กล่าวเท็จส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจอ้อแต่ในขณะเดียวกันแม้ก็กล่าวคำจริงกล่าวคำที่เป็นประโยชน์กล่าวถูกกาลแล้วก็กล่าวด้วยเมตตาเป็นต้นเราจะฝึกตนเองไม่ไม่ทําลายสติสัมปชัญญะตนเองเราจะไม่ทําให้คนอื่นต้องวาวัตระแวงในตนเองอย่างเด็ดขาด โอ้พอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บฝึกไหมเป็นข้อฝึกหมดเลยเต่เนี้ยเนี่ยลักษณะแบบนี้แหละศีลในภาษาศาสนาจึงเป็นศีลที่มีปัญญาเป็นตัวนําพาชีวิตอย่างถูกต้องเนาะนี่เป็นข้อฝึกอันนี้เป็นเป็ น, ปนสิกษาบทเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเอาละเดี๋ยวต่อไปเราสมาทานศีลกันก่อนดีไหมมีดีไมด่ดีก่อนที่จะก่อนที่จะให้ทานเนาะ เออสมาทานเรื่องยังสงสัยอะไรอยู่ไห ม, ม, ม, หมไอ่ะได้ได้ได แ, ดด แ, แก่แ บ, บนนอนแก่บอนอ่ะเอวามแก่บอน ในบานที่ทได้นนนใ น, น, นบานเรารู้สึกว่าไม่ว่าอยาอ่างไรก็ตามเร า, เราให้ท่านได้ทุกอย่างใ้บานเั้นก็คือสิ่งที่จะเกิดกับท่านเองหรือม้กทั่ผลที่ท่านคิดยังไงก็ต า, ามมกระทบกับเราเองนะเราเายอมรับตลอดใบานแต่ที่นี้ในแง่ของส่งกับคนที่เ ด, เดี๋ยวคาว่ายอมรับกับยอมจำนวนยอมแยกกันถูกไหมแยกได้ไหม ใช่ไหม <Gen. S 2> ยกตัวอย่างเช่นในสิ่งที่ไม่ควรจะต้องทหรือสิ่งที่ไม่ควรจะต้องเกิดแต่เราก็ต้องไปรับสิ่งที่ต้องทและต้องเกิดเพเื่องจากว่าในเากรรือในการในการสิ่งที่ภาายน่ทางสังคมอ๋อแล้วฉะนั้นเนี่ยผมจะรักษาสีภูสันได้อย่างไรคือคืออย่างนี้ในเวลาการรักษาสีนให้สังเกตดูไหมว่าเออ ในพระศาสนาท่านจะสอนการรักษาศีลที่มีปัญญานําเนาะเวลาเรากระทำต่อสิ่งใดเราเจริญกุศลศีลได้ทุกบุคคลไหมทุกบุคคลเอาถ้ามองถึงในเรื่องของการที่พระโพธิสัตว์นี่นะดูตัวอย่างก่อนเวลาท่านมีอยู่พระชาติหนึ่งเนี่ยท่านเป็นในจํำปยะกะนาคาลาดเวลาท่านมาสมาทานอุโบสถศีล น, น, นะน๊ เวลาสมาทานอุโบสถศีลท่านก็จะรักษาศีลในเมืองในภพพญานาคท่านบอกมันรักษายากหมู่พวกนางนาคทั้งหลายก็มาเบียดเบียนเมืออท่านมีตนเองไม่ได้สมาทานได้เต็มที่ก็เลยเอาละขึ้นมาในโลกมนุษย์นี่แหละทําได้ดีที่สุดท่านก็มาขดอยู่กลางจอมปวกนึกแล้วก็สมาทานศึกขาบท8ประการเริ่องต่างๆ ง, งดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นแล้วก็การรักษาศีลของท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่มีทรัพย์เป็นที่สุด ไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดไม่มีญาติเป็นที่สุดและไม่มีชีวิตเป็นที่สุดก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นอวัยวะหรือแม้แต่ชีวิตของตนเองเนี่ยจะไม่ให้ศีลตนเองแตกทํำลายเด็ดขาดเราจะให้ศีลนั้นอยู่เหนือแม้กระทั่งชีวิตนะนืศีลสําคัญกว่าชีวิตศีลสำคัญกว่าอวัยวะศีลสาคัญกว่าญาติศีลสําคัญกว่าทรัพย์เพราะการที่เราได้ทรัพย์มาก็เพราะกุศลศีลนี่แหละการเราได้ญาติที่ดีก็เพราะกุศลศีลนี่แหละ การได้อวัยวะที่สมบูรณ์ก็เพราะกุศลศีลนี่แหละการได้ชีวิตที่ดีงามมาก็เพราะกุศลศีลนี่แหละฉะนั้นศีลจึงเป็นเหตุแห่งการได้สิ่งเหล่านี้ที่ดีงามฉะนั้นเวลาเราจะมาเจริญศีลมาสร้างปัจจุบันเหตุเนี่ยเราต้องเห็นศีลสําคัญกว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่ชัดเจนไหมเออในที่ผมมองตรงนี้เนี่ยมันมองจากความรู้ความเข้าใจแล้วมันเรื่องนํา ม, มา ท, ทําที่มีการฝึกอย่างดีแล้ว <het S 2> พออยู่ต่อมามีเจ้านายพานคนหนึ่งไปเรียนวิชามาจากไอ้เจม เจ้าอาจารย์ของเขาเนะี่ยเขาอยากมาเห็นพวกเขาอยากทดลองวิชาเขาแล้ววิธีการทดลองวิชาเขาก็เห็นออ้งูใหญ่ตัวนี้มานอนอยู่ตรงเนี้ยเขาต้องการอยากจะจัดการกับเองงูตัวนี้เขาก็ไล่มนเขาเวลาเขาไล่มนหรือคาถาของเขาด้วยพลังจิตของเขาด้วยกําลังความศักดิ์สิทธิ์ของคาถาเขาเนี่ยก็เหมือนกับลูกศรวิ่งไปเสียไปหูอะของพระโพธิสัตว์นะี่ยปบเข้าไปเนี่ยโอโ้โหปวดแล้วเจ็บปวดมากทรมานมาก ท่านก็ชะง้อมองดูท่านก็เห็นเห็นโอ้ยเจ้ามานพเนี่ยมาเล่นงานเราเจ้าคุณมันถ้ามองตามภาษาเราเราก็ค้นกระจอกมากนี่ยฤทธิ์ของเจ้ามานพนี่กับฤทธิ์ของเรามันคนละฤทธิ์อนุภาพคนละอนุภาพถ้าเราจะถลึงตา ม, มองมาแล้วไฟก็จะลุกไหมางนี้ตายทันทีเลยว่างั้นเถอะแค่ความโกรธของเราทำให้เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราทําความโกรธให้เกิดขึ้นศีลก็วิบัติศีลก็พังใช่ไหมล่ะ เออเนี่ยงั้นศีลมันสําคัญกว่าสําคัญกว่าชีวิตสําคัญกว่าอวัยวะอยากก็นั้นเลยท่านก็ค่อยเอาหัวขดลงหลบหลับตาอะไรจะเกิดไม่เป็นไรขอรักษาศีลไว้เราจะไม่ทําความโกรธให้เกิดขึ้นทําความขัดเคลืองให้เกิดขึ้นเจ้านั้นก็มาเดินเดินเดินเข้าม า, า, มาก็เคียยเค้ยวยาเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวปุ๊บก็บีบคอ บีบคองไอ้งูใหญ่เนี่ยบีบเดีจะก็พ่นยาที่เคี้ยวมาใส่ใ น, ในปากฟันของพญานาของของงูใหญ่หลุดหมดเลยเลือดกบปากเลยเนี่ยท่านก็พยายามรักษาไม่ให้ความโกรธเพราะความโกรธมันเป็นทาลายรากของศีลฉะนั้นต้องรักษาจิตใจไว้ไม่ให้กระเพื่อมให้มีความมองให้นึกกรุณา ไอ้เจ้าเนี้ยมันโง่ไอ้เจ้าเนี้ยมันไม่รู้เรื่องอเจ้าเนี้ย ม, ม, มีกำลังน้อยต่ำเรามีพลังมากกว่าเยอะแยะบ่างั้นเถอะต่อมาเขาก็เอาเชือกมัดแล้วเอาเหล็กแทงหูเธอรู้ก็ลากก็ยอมอย่างเงี้ยนะนี่ น, ะ น, นี่ที่ยกตัวอย่างตรงเนี้ยว่าที่ยกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าศีลเนี่ยมันจริงๆการรักษาศีลเนี่ยมันมากระทบไหม จริงๆท่านไม่ได้มองแค่ตรงนั้นท่านมองว่ามันเป็นข้อฝึกหมดเลยในขณะที่เจอสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่จะมาเบียดเบียนเราขนาดไหนเนี่ยเรามีปัญญามากกว่ามีพลังมากกว่ามีความสามารถมากกว่าถ้าเราจะคิดจะเข็นฆ่าใครจะปะัตรทศร้ายใครโดยทางที่ผิดเนี่ยเราทําได้แต่ถ้าหากสมมุติมันจะแก้ไขได้ด้วยปัญญาโดยไม่ให้เกิดเขาต้องเสียหายหรือมาทำมาทาบาปขนาดนั้นท่านจะแก้ไขก่อนทันที แต่ท่านจะมีปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์และเหตุการณ์นั้นได้ถ้าเราไปทํางานกับคนที่เอาปเปรียบใช่ไหมเขาก็จะใช้ปัญญาในการที่วางระบบกติกาทั้งหลายในการป้องกันแต่ถ้ามันป้องกันยังไงมันก็ไม่สามารถทําไอเจ้าเด็กโนโคนนี้ได้เขาก็จะไม่ทําศีลตัวเองให้วิบัตนะิเขาไม่ได้ยอมจำนนนะเขาถือเป็นข้อฝึก เป็นข้อฝึกของเขาเลยว่าเขาจะสามารถข้ามปัญหาและอุปสรรคตรงนี้ไปได้ก็เพราะเขามีหนึ่งมีกุศลศีลเป็นตัวกำกับพฤติกรรมเขาไม่ให้ล่วงละเมิด2ด้านจิตใจเขามีทั้งคุณภาพมีทั้งสมรรถภาพมีทั้งความสุขในขณะที่เจอปัญหาเขาแกล้งกล้าอาถรรพ์ประการที่3ามเามีปัญญาคิดอ่านว่าผ่านพ้นไปตรงนี้แล้วเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรโอ้เขามีวางระบบของทั้งหมดเหล่านี้คือข้อฝึกเ้าหมดเลย สภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เขาไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นข้อฝึกเป็นบททดสอบเป็นเวทีทดสอบความสามารถเป็นเวทีทดสอบศักยภาพที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได้งั้นเขาจะไม่ไปล่วงละเมิดบาปหรือจะไปทําสิ่งที่ผิดๆทั้งหลายเหล่านี้ตอบโต้ตอ บ, ตตอบกับคนที่ไม่ดีอย่างเด็ดขาดแต่เขามีปัญญาในการจัดการมีระบบระเบียบมีหลักการในการที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้นๆได้อย่างอย่างอย่างถูกต้องและดีงามพอจะมองเห็นไหมไม่รู้ตอบตรงประเด็นหรือเปล่า ใช่ใช่ป่ะเออคือบริวารรบกวนเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอยากจะนั่งกรรมาฐานในบ้านเงี้ยเดี๋ยวก็ลูกบังมีบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเข้าใจไ้่ใช่จะทําแบบจริงๆจังๆเนีถ้าจะทําแบบประเภทที่ให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปได้ได้แต่ถ้าจะทําอย่างประเภทที่เอาละต้องการตัดสังคมไปทําให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาก็ต้องก็ต้องอีกออกก็จะสะดวกกว่า นไงบอสเราจะรู้ได้ไงว่าสถานที่นี้ไม่เหมาะที่เราจะรักษาศีลอ๋จะรู้ได้ยังไงใช่ไหมก็คือจริงๆปัญญาจะเป็นตัวบอกเพราะปัญญาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วปัญญาก็จะไปพิจารณาว่าเหตุผลที่ไม่เหมาะนั้นเพราะอะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อไปอยู่ในในกลุ่มอ๋เราจะไปสมาทานศิกขาบทแปดประการในในคลับในบาง ที่เขากําลังเต้นกันเงืง้องยัย่งยิย่งยั่งยิ่งยั่งอันนี้เรารู้ทันทีเลยนะว่าไปรักษาแล้วยากสถานการณ์แบบเนี้ยคนก็ทั้งกินเหล้ากันแล้วก็ร้องเพลงกันแล้วก็มีการอะไรสรารพัดหมดเลยเออตรงนี้เ ร, เรามองว่ายากทันทีเลยนะหรือถ้าจะไปสมาธานกุศลศีลเอย่างจริงจงยังยังในสนามรบเนี่ยนะเขากาลังยิงกันโดดหลบกันอะไรกันโอ้โหนี่โอกาสมันคือใจเราฝึกไม่พอยกเว้นแต่เราฝึกได้ดีพอแล้วนั่นก็ว่ากันอีกอย่างเข้าใจใช่ไหม แต่ถ้าในขณะที่เรายังฝึกไม่พอมันเหมือนคนออฝึกไหวยน้ำไม่ยังไม่ได้เรื่องเดล้าวเลยเลยจับไปไหวยแข่งคนอื่นแล้วเนี่ยมันก็มีแต่แพ้กับแพ้มันมองออกไอตัวปัญญานี่แหละมันจะตรวจสอบแล้วออกว่าเรามีคุณธรรมมากน้อยเพียงไรที่เราจะฝึกตนเองได้แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอย่างไรแต่ถ้าในสถานการณ์ที่มันมันไม่สามารถเลือกได้เอออันนี่ก็จะเอาอย่างอย่างยกตัวยอย่างเช่นในสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติ เหมือนผ้ามหาชนกเออนี่สถานการณ์เลือกไม่ได้แล้วพอสถานการณ์นี้เลือกไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บในระหว่างที่คนอื่นเรือมันกําลังจ ม, จมลงจมลงจมลงปุ๊บเนี่ยนะคนร้องเรางมกันบางคนก็ขอพระเจ้าช่วยบ้างขอพระอินทร์พระพรหมช่วยบ้างขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบ้างร้องเรียกพ่อเรียกแม่เรียกอะไรให้ช่วยกันนะท่านตั้งสติขึ้นมาไม่ได้แล้วสถานการณ์แบบนี้ท่านกำหนดว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญขึ้นสิบห้าคำท่านก็สมาทานอยู่ไหม สมาทานศิกขาบท8ประการเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็เตรียมตัวตรงนั้นมีอะไรบ้างมีเนยใสยมีเนยข้นไงเอามาทาตนเองยังไงต่งตัวยังไงให้มันรัดกุมยังไงพอเบ็ดเสร็จปุ๊บแล้วท่านบอกท่านจะต้องรอดให้ได้ ท่านยังไม่ตายวันนี้เด็ดขาดท่านมั่นใจตัวเองแล้วมีปัญญาคิดอ่านท่านจะต้องไหวให้ไปถึงฝั่งขึ้นฝั่งแล้วท่านจะต้องไปเป็นผู้นําแผ่นดินเป็นผู้นําแผ่นดินท่านจะแจกทานท่านจะบ่มเพนทานบารมีเป็นต้นเหล่านี้ท่านก็วิ่งขึ้นเสาเกาะเสากระโดงเรือขึ้นไปเลยก็เห็นบรรดาบุคคลที่อ่อนวอนกันทั้งหลายพากันตายสัตว์ร้ายกําลังกินเนี่ยนะ <c oughs> ท่านก็ใช้พลังที่มีอยู่ก็กระโจนกระโดดเงี้ยนะแล้วก็ไหว่ <c oughs> ถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมปัญญาไหม ปัญญามันจะคิดอ่านแล้วมันจะแก้ไขสถานการณ์ได้เพราะการสะสมมาดีนี่แหละการฝึกตัวเองอย่างไม่ติดต่อและต่อเนื่องแล้วก็ท่านก็ไหวและในให้สังเกตดูในขณะนั้นนางเมฆลา ค, คบเจ็ดวันนางเมฆลามาลอยที่จะช่วยท่านเห็นไหมท่านไม่ได้รอให้ใครช่วยแต่ท่านต้องช่วยตัวเองนี่แหละถ้ากําลังกุศลมีอยู่แม้คนอื่นก็ทนดูความลําบากท่านไม่ได้เหมือนพวกเราเนี่ย ถ้ากำลังกุศลมันดีจริงไม่ใช่คนอื่นช่วยเรานะกุศลของเราต่างหากคนที่ช่วยเราเหมือนพระไศศรเหมือนกัน <c oughs> ท่านบอกว่านางเมฆขลาก็มาถามท่านบอกว่าท่านจะเพียนไปทําไมท่านก็รู้อยู่ว่าความเพียนของท่านมันไม่มีผลมายิงขึ้นมาเลยว่าเพียรพยายามแบบไม่มีผลท่านจะเพียนไปทําไมท่านหวังไม่จริงอ่ะความเพียรของท่านมีผลเพราะคนที่ไม่เพียนพากันจมน้ําตายหมดแล้วนี่ใช่อบผลของความเพี้ยนไหม ใช่ไม่ใช่ <c oughs> นี่ผลของความเพียรและอย่างหนึง่งไอ้คนเหล่านั้นพากันตายหมดไม่เคยมีเห็นใครเห็นท่านเลยเราต่างหากยังเห็นท่านอยู่อันนี้ก็เป็นผลของความเพียนอย่างหนึ่งนะ <c oughs> และอย่างหนึง่งถ้าเราเพียนและเราตายในขณะที่ชื่อในเพียนอยู่ชื่อว่าเราไม่เสียชาติเกิดแล้วเขไม่ต้องอายอะไใครเพราะเราได้เพียนพยายามอย่างอุกฤตอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยภาพถ้าลมให้ใจจะขาดในขณะนี้ชื่อว่าตายแล้วไม่เกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิด โอ้น oh, ี่ชัดไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยบริษัทท่านออหลักการตรงเนี้ยเป็นหลักการที่เราพุทธบริษัทเราก็ต้องเอามาเอามาม า, ม า, มาใช้กับชีวิตของเราให้ถูกต้องว่าจริงๆแล้วตัวปัญญาที่เราสั่งสมมาดีจะเป็นตัวบอกเองว่าเหมาะไม่เหมาะควรอะไรยังไงเป็นตน้นแต่ถ้าไม่ฝึกตัวนี้ขึ้นมามันจะทาไม่ถูกเพราะปัญญาต่างหากเป็นคาตอบของชีวิตเพราะยังมองเห็นไหม <laughs> อ๋อ oh. จริงๆประเด็นก็คือหนึ่งปัญญามันมาจากหนึ่งฟังเนาะเนี่ยการฟังการครอบส ร, บรุษเนี่ยการครอบส ร, บรุษคอบท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยเราก็ฟังการฟังอย่างนี้เขาเรียกสุดตะฟังแล้วจําได้เนี่ยได้แค่สุดตะแต่พอฟังแล้วมันเกิดความเข้าใจมันถึงจะเป็นสุดตาเมืยะปัญญามันไม่ใช่แค่จํามันเกิดความเข้าใจถามว่าการที่เราเกิดความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นความกโกรธเนี่ยมันมีโทษมาก มันทําให้เดือดร้อนความโกรธเนี่ยมันประทุสลายเบียดเบียนกระแสะความคิดไม่พอยังเบียดเบียนหัตยวัตถุแล้วมันยังเบียดเบียนเผาไปทุกลูขุมขนของร่างกายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยียนในกระดูกเนี่ยมันเผาไปหมดเลยเนี่ยพอเราฟังปุ๊บแล้วก็เกิดความรู้เลยแล้วก็เข้าใจจริงๆเลยมันเผาอย่างนั้นจริงๆก็เห็นสภาพความเผาที่มันเกิดขึ้นเยอะๆนี่ก็เรียกสุตตามรยพัญญามันเกิดอย่างนี้นะ แล้วต่อมาไม่ใช่แค่นั้นเรามาตึกต่อคิดต่อวิจัยต่อมันสามารถคิดได้ลึกกว่ากว้างกว่าแล้วก็ทะลุทะลวงกว่าที่ฟังมานี่ก็เรียกจินตามยปัญญาและเราก็เอาปัญญาทั้งสองระดับเนี่ยตั้งแต่การฟังทั้งการคิดเนี่ยการตรึกนี่แหละการแต่ยต่อกันเป็นฐานแล้วก็ลงมือปฏิบัติบําเพ็ญ เ, erm เพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของกามของเมตตาที่แท้จริงอันนี้ก็เรียกภาวนามยวัญญาณเอีมันเป็นอย่างนี้เห็นไหม มันไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันปิ้งขึ้นมาเองมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องได้ว่าได้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ข้อมูลว่าถูกต้องอย่างเดียวไม่พอต้องเจาะทะลุทะลวงจนเกิดความเข้าใจในการฟังอย่างนี้เขาเรียกสุตตามิยามันคงได้แค่สุตตะแต่สุตตามิยปัญญาไม่เกิดใช่ไหมเยอะแยะหมดเลยฟังก็จําได้จําได้แต่ไม่เคยเกิดสุตตามยาปัญญาเข้าเห็นจริงตามนั้นแล้วก็ทะลุทะลวงตามนั้นได้จริง แต่บางคนได้แค่สุตตามายาปรรยาัญญาพัฒนาไปจินตาไม่ได้เลยฟังแค่ไหนเข้าใจแค่ไหนได้แค่นั้นบางคนทะลุได้เลยนะทะลุได้ลึกกว่าละเอียดกว่าล้ำลึกกว่าที่ฟังมานี่คือจินตาไมยาปัญญามาแล้วแต่ทีนี้อาศัยปัญญาทั้งสองอย่างนั่ทั้งสุตตาทั้งจินตาเป็นฐานแล้วก็ลงมือทําลงมือปฏิบัติลงมือบําเพ็ญทําให้มีให้เกิดขึ้นได้จริงๆก็ <S <S เรียกเว้นภาวนาไมรรา้ปัญญาถึงได้จริงๆเข้าถึงศีลจริงๆเข้าถึงปัญสมัธิจริงๆเข้าถึงปัญญาจริงๆนี่ก็เ ร, รยียกภาวนา ภาวนาไม่ใช่ไปนั่งบนอิติปิโสภกากรวาลทางสมาธิไม่ใช่เงี้ยนะมันก็แบปฏิบัติมันเป็ น, ม, นมันทําได้จริงๆเลยก็ใจยังบางคนภาวนาไปเขาใจผิดนะเป็นปนั่งท่องบ่นตอนี้ น, นึกว่าภาวนาเข้าใจยังภาวนาก็แบบลงมือทําปฏิบัติแล้วเห็นจริงดํานั้นนี่คือแบบภาวนาเพอเขาใจยังชัดเจนไหมอ๋อชัดเจนนะอ้าว อ๋อ oh, จริงคือเวลาเราเจริญเมตตาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเ <c oughs> คือบุคคลเนคนนี้เราเหมือนเหมือนให้ของเหมือนเราเราจะให้ของใครเนี่ยเช่นอจีวรเนี่ยอาจีวรไปให้แม่ให้พ่อผิดหรือถูกพ่อใ ส, จอนนสจอนน่จิวอนะแม่ใส่จิวอนไ้ี่ผิดบุคคลนะเนี่ยจิวอก็ต้องมาให้พระแล้วเวลาอาจีวอให้พระต้องต้องต้องดูด้วย ว่าพระท่านสูงเท่าไหร่เตี้ยเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่อะไรเนี่ยมันต้องคํานวณพวกนี้ใช่ไหมือนยอมไปซื้อเสื้อผ้าให้แม่ไม่สนนะเอาที่เราใส่ได้เป็นเกณฑ์เนนะี่ยแต่ตัวเรากับตัวแม่คนละคนละไซส์กันเลยเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดเขาเรียกไม่ฉลาดทุกวันนี้เวลาเราไปซื้อจีวรถวายพระเนี่ยเราไม่เคยสนใจว่าผ้าจะใส่ได้ไม่ได้นะเ ค, เคยเคยเคยเคยเป็นใช่ไหม นะจริงๆรนะจริงๆเนะี่ยนะเขาจะต้องดูว่าถูกต้องตามวัฒนวินัยไหมอะไรเนี้ยรายละเอียดมันเยอะใช่ไหมล่ะเหมือนเราไปอ๋อยังยอมพี่ที่คิดนะถูกแล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมเออเริ่มรู้แล้วทีนี้บางทีเราไปดูเสือเส้อผ้าที่เสื้อผ้าของปลอมก็ไม่เป็นไรแล้วของไม่ดีก็ไม่เป็นไรแล้วผ้าท่านปล้งหมดแล้วไอ้คิดแบบนี้คือไม่ถูกนี่เหมือนกันเวลาเราจะเจริญเมตตา แล้วก็ต้องดูว่าเขาอยู่ใน ว, ในในวาระที่จะรับเมตตาได้ไหมหมายความว่าเขาอยู่ในภาวะปกติไหมถ้าเขาปกติเนี่ยอันนี้ควรจเจริญเมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนแต่ในวาระที่เขาเกิดกําลังแย่กําลังทุกข์กำลังเครียดกําลังกลุ้มกําลังประสบปัญหาชีวิตไม่ควรไปจเจริญเมตากับเขาวาระนั้นควร เจริญกรุณาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องให้ถูกจังหวะถูกบุคคลถูกเหตุการณ์คนเจริญกรุณาทีนี้อันนี้แปลว่าสถานการณ์แย่ลงสถานการณ์ผิดปกติผิดปกติขาลงเนี่ยก็ให้เจริญกรุณาถ้าผิดปกติขาขึ้นเช่นเขาประสบความสำเร็จในชีวิตโอ้ยขึ้นใหญ่เลยชีวิตของเขาตอนนี้เขาเรียกว่าเจริญมุทิตาคือพอยินดีกับเขา ในเวลาที่เราจะรักษาการัรกษาธรรมะรักษาหลักการรักษาความถูกต้องดีงามนี่ควรจเจริญอุเบกขาถ้าเราใช้ไม่ถูกยุ่งสมมุติลูกเนี่ยเมื่อไหรก็แม่ทําไม่เป็นแม่ทําไม่เป็นใหม่ๆก็กรุณาอยู่ใช่ไหมแต่เขาก็ทําไม่เป็นเรื่อยเลยแล้วก็เอาการุณ า, าการุณาเื่อยแล้วกลายเป็นไงเสียไหมเขา ก, กลายเป็นคนอ่อนแอเขาเวล า, านันนา้นไม่ควรกรุณาแล้วนานจัดแล้วคนรักษาหลักการบอกลูกไม่ได้ ลูกต้องฝึกตัวเองต้องช่วยตัวเองลูกต้องมันในการที่จะมันคิดเองไข้ควรเองทำเองนะการบ้านหรือทำการงานทั้งหลายว่างั้นเถอะการุณาการุณาใช้ผิดจังหวะลูกก็อ่อนแอใช่ไหมล่ะมุทิตาไปใช้ผิดจังหวะเสียหายอีกในพอยินดีกับคนที่เขาไม่ได้ทำดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเขากำลังจะ เขากำลังจะประสบความวิบัติหรือเขาเจอความวิบัติจะไปมุทิตาเขาเนี่ก็ผิดจังหวะอีกใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องให้ให้ให้ถูกกับสถานการณ์อันนี้ในรายละเอียดมันเยอะพอมองเห็นไหมถ้าต้งบอกว่าการจะเจริญพรหมิหารก็ต้องดูสถานการณ์ที่เราจ ะ, จะเจริญให้มันถูกกับบุคคลถูกกับการเวลาเป็ตนต้นฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าถ้าเจริญเมตตากรุณามุทิตา อย่างเดียวอันนี้แปลว่าเอียงไม่ได้ดุลเยีภาพจะต้องมีอุเบกขามาดุลไว้ถ้าจเจริญได้ถูกต้องทั้งหมดมันจะครบทั้งหมดเขาเรียกเมตตากรุณาุมิตาและอุเบกขามันจะกลายเป็นความพอดีไอความพอดีตรงนั้นเขาเรียกมัชชิมาปฏิปทาเนี่ทางสายกลางมันเป็นแบบนี้บางคนมันเอียงนี่เอียงได้แต่ให้เมตตากรุณามุมิตาได้ก็อยู่แค่นี้แต่พอถึงอุเบกขาไม่ได้ เช่นจะเมื่อเกิดก ร, กรณีแห่งการที่จะต้องให้รักษาธรรมะรักษากฎเกณฑ์กติการักษาระเบียบเพื่อความถูกต้องดีงามเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยเราเราเราไปไม่ถึงอุเบกขาเราก็ไม่ได้มัชฌิมาปฏิปทาเราก็ไม่ได้ความพอดีทั้งๆไงอ้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมีมีอยู่ในธรรมะทุกหมวดที่พระเจ้าสอนไม่ว่าจะหมวดของออสังหาวัตถุใช่ไหม ทานปิยาวาธาอัตตาจริยาก็จะมีตัวสมานัตตาไปดุนเพราะวิหารก็เมตตากรุณามุติตาและอุเบกขาไปดุเี่ยนะมันจะต้องมีความพอดีความเป็นมัชฌิมาปิาิปทาเป็นต้นแม้ในโพชงเจ็ดแม้ในอินรีห้าเนี่ยถ้าปรับไม่ได้อย่างยกตัวอย่างนะศรัท ธ, ธากับปัญญาถ้าไม่ได้ดุลยภาพกันไม่ได้รับความพอดีกันเนี่ยไม่เป็นมัชฌิมาปิิปทาเลยไม่ได้สมาา ศรัทธามากเกินไปก็เชื่องมงายปัญญามากเกินไปก็ลังเลสงสยัยจดจับจดไม่ลงมือทําถ้าเพียรมากเกินไปก็ฟุ้งซ่านเครียดวิตกถ้าสมาธิมากเกินไปก็เฉยชาใช่ไหมเฉยชาเกียจค้านเนี่ยเั้นตัวสติเราต้องคอยปรับบาลานซ์ให้ศรัทธากับปัญญาให้วิริยะกับสมาธิให้ได้ดุลยภาพให้ให้ความเป็นสมมาตาให้ได้รับความพอดีให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอย่างไางนี้เป็นต้นมองเห็นไหม อ้รายละเอียดต้องมาพูดเป็นกรณีกรณีไปนี่พูดเป็นหลักการก็ไว้แต่ถ้าจะเจาะเอาไปมาพูดปฏิบัติจริงๆต้องมาถกใหม่คุยใหม่ด้วยนะพูดแค่นี้เอาไปใช้จริงๆบางทีก็ไปไม่ถึงอย่างนั้นจะต้องมาเจาะรายละเอียดแต่ละรายแต่ละรายแต่ละบุคคลว่าเอออย่างเนี้ยผมเป็นสมาตาหรือยังสมตุลนี่ยังเป็นมันชฌิมาปฏิปทายังเข้าถึงความพอดีเป็นกลางหรือยังต้องไปดูรายละเอียดอีกงๆถ้าไม่เป็นกลางอย่างนั้นก็ไม่สามารถเป็นปัจจัยต่อความสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้นี่เป็นต สำคัญไหมอ้าวเดี๋ยวสมาทานศีลกัน